นั่งสบายไม่ได้พักเสียงหายวันนี้เสีเสยงนี้ไปเทีเย่ยวอืมปกติเสียงไม่ค่อยมีก็แล้เสียี้ไปเที่ยวอ่ะ ทำใจสบายก็เสียงนิดหนึง่งเล็งควอมดังนิดหนึ่งเพราะว่าข้างหลังบางคนไม่ค่อยได้ยิน <c oughs> <c oughs> ยิ่งพูด <c oughs> เบายังไม่ได้ได้ยินข้างหลังตัว <c oughs> <c oughs> อ, อย่างเงียบเสร็จแล้ว มดูเรื่องสัพเพยาของเราบาง <c oughs> การปฏิบัติธรรมเรื่องที่จำเป็นน่าจะบอกว่าน่าจะเป็นที่สุดก็คือสัพเพยาเนี่แหละสัพเพยาคือสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วมันสะดวกสบาย ตัวจริตนิสัยจิตใจมันคงพัฒ น, นาดีขึ้นเริ่มจากคนคนที่สำคัญ <c oughs> ก็คือปุคคลเมื่อคนที่จะมาเริ่มมีแนวโน้มที่จะมาต่างนี้ก็น้อย งันกันที่เราจะไปชักชวนใครกระตามที่ไม่มีจริตที่ใส <c oughs> ที่มุ่งมาทางนี้ยากงั้นบุคคลจึงเป็นอันดับต้นๆแต่ที่สำคัญคือบุคคลนอกจากเป็นกัละยาณมิตรกัละยาณธรรมแล้วสิ่งที่เป็นผู้ถ่ายทอดรดยครูบาอาจารย์ก็สำคัญ ที่ปูดถ้ามันตัวจัาบจริตนิสัยตรงกันหรือว่าเข้าใจง่าย<ม>ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายตอนก่านเนี้ก็จะลงได้เพราะพวกเรียวลงตัวไม่ใช่่งง่ายเมื่อใดบุคคลที่เป็นสัปปะยแล้วสต์ที่<ม>ก็สำคัญบางครั้งใครจะบอกว่าทำที่ไหนก็ได้มันก็ถูก ถ้าทำเป็นแล้วชำนาญแล้วถ้ายังไม่ชำนาญสถานที่จึงเป็นเรื่องจำเป็นนั้นวัดจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดเราไม่มีโอกาสมีเวลา ไ, ไปที่อื่นเนื่องจากข้อจำกัดด้วยเวลาเรื่องตมาขากินสถานที่ก็สำคัญธรรมะ อาหารเนี่ยมันต้องพูดถึงสี่อย่างเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเราเข้าใจอย่างน้อยๆเอาสองอย่างครับผมก็คือบุคคลที่ถูกจริญด้วยสายแล้วก็ธรรมะที่เอื้อต่อกันปฏิบัติเอาง่ายๆแค่นี้ก็พอ เพราว่าวัาตถุประสงค์ปลายทางของเร า, เาต้องการหนึ่งกายวิเวกจิตวิเวกปุธิวิเวกนี่คือให้กายมันสงบมาใจาสงบเนี่กายกายวิเวกคือจิตวิเวกก็สงบปุพธิคือคเกเรที่มันนอนเนื่องเที่ละเอียดอ่อนสันดานก็สงบกายสออย่าง นั้นวิธีการดวยหลักการที่เข้าหรือทาให้สิ่งเหล่านี้มันสงบราบค า, าบสงบเนียบอยู่ในจิต ใ, ใจของเรานั้นหลักในการปฏิบัติง่ายๆคนนี้จะนำข้อปฏิบัติที่ท่านพอรีธรรมาตรโรว่าโสการม ที่ทนปฏิบัติได้ไดผลแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหามีเยอะแยะมากมายจากวันนั้นถึงวันนี้หลังกันมาแล้ ว, ไ ป, ลวปไปแล้ว50าสิบกว่าปีแล้วเจ้าหลักการนี้ยังอยู่นั่นก็คืออานาปานาสติก็ ค, คือสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่นี่แหละ แต่เพียงแต่ว่าท่านมีขั้นตอนลําดับขั้นตอนวิธีการให้มันเป็นเรื่องเวลาใหม่ให้ ม, มันยุยากขึ้นมนาหน่อยนอกจากเราที่ใช้อนาปาสสติกุลไมเจะเข้ามาใช้อภิุโธเข้ า, า, ขาสติเราพูดกันอย่างนี้มานานจะนี้ไปทั้งการจะบอกว่าเรื่องซับซ้อนมากกว่าคิดเบื้องต้นเพื่อให้เจตทั้งเรานั้นน้อมรับธรรมะหรือ ยินยอมที่ปฏิบักษตามพูดง่ายงคือเตรียมกายศิลมวาาิชานั่นก็คือให้นึกถึงสิ่งที่เราครบสักกะระสูงสุดคือพระรัตนตรัยนั่นเองอนขณะนึกในใจก็คือว่าพระนั่นเองพูดง่ายๆก็คือนึกถึงพุทธคุณธรรมมงคลสังฆคุ แล้วก็ตั้งใจแล้วว่าข้าพเจ้าขอปฏิบัติบูชาคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอาาริยสงฆ์นักเป็นภาษาไทยเราหลวลงปู่ท่ยินเราต่อไทยนิดนบอกว่าขอให้จิตของพระเจ้าสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิมีความรอบรู้ในวองสังขารด้วยปัญญา สังเกตชัดเจนไม่ได้ด้วยสัญญานะหลังเสร็จเสร็จแล้วก็ลมสบวจตัวจางลมหายใจจัดท่าของตัวเราเองให้มันสบายคือท่านั่งของเราเลย <c oughs> เรานั่งท่าไหนก็ให้มันจัดระเบียบร่างกายหลังให้ตรงท่านั่งที่สบายคือที่เรา ก็ขัดสมาี่แหละก็เลือเ่อนลมได้รืงสะดวกเมื่อร่างกายพร้อมแล้วท่านก็รเรองถลมหายใจที่เรามีอยู่ก็คือให้รู้จักคุณค่าของผมหายใจคือต้องการเตือนย้ำให้เรามีสติว่าลมหายใจนี้สำคัญนะอันนี้เป็นการสอนจิต ยำ้ำว่าให้จิตมันจำประการแรกคือให้ไปสัญญาก่อนทำขางว่าถุอย่างนี้เมื่อจิตมารับรู้ว่าเออร่างกายของเราเนี่ย้าทั้งสี่คือทีนน้ำไฟ ล, ลมลมสาคัญ้าร้อหมดก็ไปหมดทุกอย่างคือไม่เหลืออะไรตินน้ำไฟที่มีอยู่ดับหมด นี่คือความสำคัญของลมขอพิจารณาให้เห็นทุนเห็นโทษของลมหายใจลมหายใจมีคุณค่ามหาศาลไม่ใชมาทีพิจารณาไดู้ดย่างไงเป็นประโยชน์ลมหายใจก็คือหายใจเข้าหายใจออกทำให้ลมในร่างกายของเรานะมันเดินสะดวก ซึ่งปัจจุบันเราไม่รู้รมเดินลมมันเดินยังไงแม้แต่หายใจเข้าก็ไม่รู้หายใจออกก็ไม่รู้คือไม่ได้กำหนดพูดง่ายๆเมื่อเกิดสติมากขึ้นดูลมหายใจเข้าก็สอดลงหายใจเข้าลึกๆแล้วก็กันไว่พอนลมหายใจออกยาวๆจนสุดกันไว้ นี่ให้เห็นว่าโอ้ลมหายใจนีมันขึ้นมันลงมันเข้ามันออกมันสัน้นมันยาวอย่างนี้ถ้าสั้นมากก็ลำบากหมายถึงหายใจเข้าหายใจออกหายใจยาวหายใจหายใจยาวมากทั้งเข้าทั้งออกก็ลำบากตั้งหละะักมหหายใจอย่างไร จึงจะสบายกำหนดหายใจครึ่งหนึ่งแล้วก็ปล่อยออกยังไม่ต้องพุ่ธตัวดสงอย่างโหดใดๆแต่งลมหายใจให้สะดวกเมื่อเราได้ที่แล้วกำหนดลมหายใจเราจะเห็นทั้งหมดมันไม่ใช่แค่ลมหายใจทัศนเข้มข้นไปกว่านั้นเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของกาย ปกติเราลองไม่รู้เราจะเห็นว่าในขณะที่หายใจเข้าหายใจออกลำตัวท้องของเราเริ่มมีการเคลื่อนไหวคือการยุบเข้าฟองออกสบาสนั้นท่านใช้เอาตัวนี้เป็นหลักในการกําหนดคือการหายใจเข้าหายใจออก คือมนพองแล้วมยุบเข้าคือมันแฟบลงนั่นเองก็ดูกิยาอาการนั้นๆสังเกตแล้วก็หายใจเหมือนเดิมทำยังไงถึงจะสบายเล่นอยู่อย่างนั้นจนกล่คองง่ายง่างคือหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้ว่าเข้าออกยาวขนาดไหน อันนี้เป็นการตั้งสติคือฝึกสติในเบื้องต้นเพื่อเรียกสติที่มันชอบออกไปเที่ยวข้างนอกให้เข้ามาหาตัวเองคือให้ใกล้ตัวมากที่สุดหลังจากนั้นค่อยกำหนดเมื่อหายใจเข้าหาจะออกรู้แล้วชำนาญแล้วกำหนดพุทโธตามลงไป ราพุดโทรโดยลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าขอกพูดแล้วก็หยุดหายใจออกก็พูอย่างนี้ให้มันสัมพันธ์กันเรื่องแรกมันอึนอดอัดเพราะมีการกํากับเพราะไม่เป็นปกติของมันมันเริ่มอึอดอัดแปลว่าขัดใจละคือไม่ตกกิเลสละไม่เป็นไร ไม่ตือนเคลียดไม่เป็นไรขอให้ถูกใจขอให้ถูกต้องคนก็ไปอีกคงคนดูการอย่างนั้นหายใจเข้าหายใจออกสบายเพราะกระพุทธโธเราจะให้ลิเอียนนกันนก็คือนับหายใจเข้า1 ห, หายใจออก2คือพุทธโธแล้นับเป็นห หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเป็นสองอย่างนี้ก็แล้วแต่ไปเรื่อยๆให้มันเยอะมากที่สุดพูดง่ายๆคือให้จิตเนี่ยมันอยู่กับลมหายใจพุทโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้มันมากที่สุดเรารู้ได้ยังไงมันจะมากที่สุดก็โดยการนับนี่แหละเพราะการนับก็เป็นการบอกจนอนํานวนบอกครั้งถ้าเราไม่นับก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเข้าออกแต่ไม่รู้ว่ากี่ครั้ง นี่คือปรเด็นเมื่อเรากิดกานับเกิดขึ้นเออเราจะเข้าใจเอเอเข้าเท่าไรออกเท่าไรได้เท่าไหรแล้วสติมันก็จะอยู่กับการนับอยู่กับกายใจเข้าอยู่กับการ น, นับตอนนี้มันไม่ท้งนี้ไปเที่ยวล้วนี่วิธีผูกมัดใจ ม, มันไม่หนีไปเที่ยวไปไหนกำหนดนับยังไงทีนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนจุดลมหายใจ โดยเอาที่ตั้งเป็นตัวแรกก็คือจมูกนี่แหละเป็นจุดแรกจมูกเ็จุดแรกหกมายถึงว่าหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับพุทธและโภคอยู่อย่างนี้ดูการหายใจเข้าหายใจ อ, อย่างมันต้องไปดูที่อื่นเพราะเดี๋ยวจะไปเองทำอย่างนี้จนจำ น, นาน พูดง่ามันเบื่อแล้วมันเริ่มจะเผลอมันเริ่มจะหลงมันเริ่มขี้เกียจแล้วพูดง่ายๆพรดนบังคับมากๆมัไม่ได้มันกับเด็กถ้าจับจนนิ่งๆมันจะจนไม่ชอบมันชอบดิ้นเดี็กก็ดิ้นไปดิ้นมาไม่เป็นไรคว้ดก็ให้จับมันจะดิ้นไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กไม่ให้ด้นเลยเป็นไปไม่ได้มือเราจับกดเข้าพวกนี้ก็อยู่เฉยๆเป็นไปไม่ได้มันก็ดิ้นดรืต่อสู้ จิตเราธรรมชาติเป็นอย่างไ น, นมันจะเด่นรน้อนพร ม, มันไม่เคยกดถูกกดถูกจับอยู่ในกรอบอย่างนี้เมื่ออยู่อย่างนี้ก็ให้อยู่นั้นมานานดูลมหายใจเข้าอายใจออกหาเข้าหายใจออกจนจำนานลึกๆที่จี้หายจากลมหายใจคือจงโจกกัวนี้ สูดลมหายใจเข้าเหมือนกับลมเวิ่งขึ้นไปข้างบนคือปกติมันเป็นอย่างนี้นนแล้วมันล่งวิ่งลงวิ่งเข้าไปข้างบนกับาาจากปลายจมกูก <c> โ <oughs> พรงจมกูกถ้าเรานึกขึ้นไปคข้ ย, ยับจากปลายจมูกตรงนี้เอาไปไว้ที่หน้าผากระหว่างคิ้วหายใจเข้าเหมือนเดิมจากที่เดิมคือจุดที่หนึ่งคือลมหายใจคือปลายจมูกอันนี้ แล้วก็มาวางเอาไว้ที่กลางหน้าผาวางคิว้วทาความรู้สึกกันหม่หายใจเข้าูดใจออกจากลมหายใคือปลายจมกูกแล้วมาทำความจัดเปลี่ยนจากจมกูกคือจุดรู้ ต, ตรงจมกูกมาที่กลางหน้าผาทำอย่างนั้นจนชานาญคือให้เหมือนกับหายใจเข้าหายใจออกนั่นก็คือให้ทําความรู้สึก ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกไปอยู่ที่กลางหน้าผากหายใจเข้าปุ๊บให้วิ่งไปที่กลางหน้าผากคือไม่อยู่ที่ปลายจมกูจออกแล้วหายใจออกก็วิ่งกลับลงมาอีกเหมือนเดิมกลับไปกลับมาอย่างนี้เหมือนเป็นลูกโซ่ให้ชํานาญยังไม่ต้องคิดอะไรเลย อย่ามันต้องไปคิดถึงอื่นเหมือนเดิมแค่พุทโธลมหายใจสติสามตัวเนี่ยให้มัน่นคงอันนี้คือฐานที่สองฐานที่สามเมื่ออยู่อย่างนี้เกิดเบือ่อละเด็กมันอยู่ได้ไม่นานเบือ่อหาเรื่องให้มันใหม่เอาหญยที่ยหญ่ที่จะ ก, การหน้าผากเอาก้หลดใหม่เหมือนเดิมเล้วมนต้องทุกอย่างที่ ปลายจมูกคือลมหายใจที่ปลายจมูกเข้าออกพู้โตวิบัติกลางหน้าผากพอขึ like, ้นหน้าปักปุ๊บจุดกลางหน้าผากไปที่กลางกระมมคือบนที่สันกระมอมงคือบนที่สะตรงกลางที่เป็นสมองมันตอนเด็กๆเราก็เห็นว่าสมองมันเตุบๆตรงนั้นแหละเอาจากเริ่มเหมือนเดิมคือปลายจมูกหน้าปักไปไว้ที่ กับหมมคือกลางกับหมมหาอยู่อย่างนั้นนานๆหาจใจเข้าหาจใจออกออกกับพุทแล้วก็โธวิ่งขึ้นไปอย่างเร็วมันก็อยู่ที่ปัจจุบกแบบเปี่ยนที่ทําอย่างนั้นอยู่ยานานๆแล้วก็วิ่งกลับมาทางเดิมวิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งลงวิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งลงอยู่อย่างนี้อันนี้คือฐานที่สาม การที่สี่เราย้ายจากกากงกระมองเป็นกะโหลคือกะโหลทั้งหมดอ่างโมกะโหลเราเรานั่งวิ่งจากลมหายใจเข้าจากปลายจมูกไปที่น้าผากกลางกระม่อมแล้วให้มันทั่วกะโหลกเลยแล้วก็ให้เข้าแล้วให้ อ, ออกทางปลายจมูกเหมือนเดิมเริ่มขึ้นอัดละความเข้มข้นก็จะเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเรื่อขึ้น ถ้าจิตเราไปวางไว้อย่างนี้จริงๆโดยที่จิตมันไปชุดตึงๆมันจะเครียดมันจะตึงแล ะ, และเกิดความตึงเครียดละอย่าไปเอาจิตไปปูกไว้กับสิ่งนั้นให้อยู่กับลมหายใจออก็อกพุทโทก็จุดจุดนั้นกับเขาและทําความรู้สึกว่าลมมันวิ่งไปทั่วกรโลกทั่วกําหม่อมนี่แหละพูดง่ายๆทั่วกระโหลกแล้วกลับออกมาทางปลายจมูกอีกครั้ง ทำอย่างนี้บ่อยๆไม่ว่าจะโดยวิธีการนับจำนวนหรือกาหนดรู้เองก็ตามหรือเอาแค่จนพอใจก็ตามตัวสิบตัวที่5อตัวสุดท้าย <c oughs> <c oughs> กลับมาที่เดิมที่เป็นศูนย์กลางจริงๆกลับมาที่เดิมอีกกบมาตั้งหลักใหม่ก็คือลมหายใจเข้านับ่า การกระหมอ่อมกะโลกทั้งหมดนี้ลงไปที่ใต้ลิ้นปีประมาณว่าตรงลิ้นปีตรงกลางกลางหน้าท้องเตีนเหนือหน้าท้องคือสวง อ, อกพูดง่ายๆอย่างนี้เรียกว่าสวง อ, อกตรนลิ้นปีกําหนดอายใจเข้าอายใจออกลมปลายจมูกหน้าปากกระหมอมกะโลกมาลงมาที่ กลางหรือว่าส่วน อ, อกอันนี้คือฐานหลักทีนี้ทุกอย่างที่เรากำหนดมาทั้งหมดมันจะเป็นอารมณ์หลากหลายคือเราจะระวังระหว่างอารมณ์เริ่มต้นจากปลายจมูกหน้าพากขามมัลโลกจนถึงจุดกลางลิ้ปีดได้สี ระยะเลวลาขั้นตอนถ้าเราค่อยๆทำยํำในนี้มันจะช้าแต่ถ้าเรากําหนดแป๊บเดียวจากลมหายใจเหมือนหายใจปกติแล้วให้ถึงฐ า, านทันทีหรือหายใจธรรมนาพยายามให้เร็วที่สุดลมปกติมันเร็วอยู่แล้วจิตของเราก็ยิ่งเร็วมันเร็วแต่ถ้าเรามองไปขั้นตอนมันก็ไปตามขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอ น, น, ตอนมันก็จะช้า พยายามทำให้มันชำนาญคือทําให้มันเร็วที่สุดกําหนดทีเดียวจากปลายจมูกหน้าพากำมังกะลกลงไปที่กลางใต้เลนปีให้มันเร็วที่สุดอยางที่มันคิดหลากหลายอารมณ์คือเรามันจดจำอยู่มันจะอยู่ที่ใต้เลนปีอันนี้พอมันยกมันพองมันก็รู้ทําความรู้สึกรู้อย่างนั้น จากหลากหลายอารมณ์นั้นสุดท้ายมันจะเหลืออารมณ์อันเดียวนี่คือวิธีกำจัดอารมณ์จัดระเบียบอารมณ์ประการแรกก็คือกำจัดความคิดที่มันไม่ดีทั้งหมดที่เราชอบคิดในทางที่ไม่ดีไม่ดีมันจะตัดออกหมดมันจะเหลืออะไรก็เหลือพุโทโธลมหายใจนั่นคืออารมณ์อันดี เอาอารมณ์อันใดเอาไว้สุดท้ายเป็นการรวมอารมณ์อันใดทั้งหมดนั้นมาไว้เป็นจุดจุดเดียวกันอย่างนี้จิตเราจะมีกาลังเรียกว่าพลังพลังเกิดจากนี้ท่านจะเรียกว่าพลังจิตคือจิตมีพลังเมื่อจิตมรารมมายืนรวมจากนี้แล้วภาพที่มันปรากฏ อุณหะคือวิชาจะขึ้นวิชาในตอนนี้มีโลคิยะกับโลกุตระทําความรู้สึกอยู่อย่างนั้นตอนจิตแจขงเรามันว่างจากอารมณ์คือดีไม่ดีมันวางอารมณ์ลงหรืออันเดียวมันจะเกิดความรู้สึกแปลกๆใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจเกิดขึ้นอีกเยอะแย ะ, ย ะ, ยะมากมาย เนื่องจากตาเราหลับแล้วหูเราปิดแล้วความรู้สึกสัญญาอารมณ์ที่มีทั้งหมดมันไปรวมอยู่ในจุดเดียวกันคือตรงจ้ดเปียนมันเปิดตาไม่ได้เปิดหูไม่ได้เพียงแค่เราทำใจให้มันว่างๆแล้วกำหนดก็คืออาศัยสัญญาที่เรามีอยู่ เช่นเราพูดถึงควายปุ๊บเราก็จะนึกถึงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแต่ถ้าจิตมันเป็นอย่างนี้แล้วเรานึกอะไรมาจะเป็นภาพปรากฏขึ้นมาท่านเรียกภาพอันนี้ว่ามโนภาพรือภาษาเราเรายนิมิตนีนะ่แหละนิมิตนี่ที่คืูาอาจารย์ตันบอกมีเยอะแยะมากมาไม่ใช่มีรูปอย่างเดียวเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นได้ทั้งนั้น ถ้าเป็นรูปมันเกิแตกต่างเยอ ะ, ะแยะมากมายเอาความรู้สึกที่เรามีอยู่ที่ทำอยู่ชำนาญตรงไหนชอบตรงไหนกําหนดจดจ่อเช่นทางที่เราเข้ามาเมื่อกี้การกำหม่ม์กระโหลกกําหนดนึกถึงทีภาพมันจะปรากฏออกมามันจะทําให้เห็นบางคนเห็นได้เกิดความกลัวไม่จำเป็นกลัวมันก็เหมือนกับภาพที่เราเห็นทั้งหมด เหมือนลืมตาขึ้นมาเห็นต้นไม้ภูเขาแลก็สายนา้เป็นเรื่องปกติพระเปิดตามันที่ต้องเห็นนี่คือเหมือนใจพอใจมันสงบปุ๊บมันก็เห็นโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติของมันทีนี้ใช้ของที่มีอยู่ให้มันเป็นประโยชน์นั่นก็คือสิ่งที่เรามีอยู่นั่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกือตัวรู้ ทั้งหมดใช้เป็นประโยชน์เพราะตอนนี้มันเหลือมันจะเป็นภาพจากเดิมเราหลับตาเราไม่เห็นจากนี้ไปจเห็นภาพภาพอย่างนี้เรียกว่าภาพภายในไม่ใช่ภาพภายนอกภาพที่เราเห็นโดยตาหนังตาเนี่ยเป็นภาพภายนอกภาพตรามันเป็นภาพภายในภาพภายในมันจะแม่นหรือไม่แม่นดูที่กำลังของเราแต่อย่างไรก็ตามท่านบอกว่าพึงกาหนด ไว้ในใจเสมอว่าอาการที่เราจะต้องพิจารณาคือให้รู้ว่าทุกอย่างที่เรารู้เราเห็นที่เราบุญนนยังดีให้คิดเสมอว่ามันไม่เที่ยงไม่เที่ยงคือมันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเพราะฉะนั้นอาศัยภาพตัวนี้ทําให้มันจํานานหลังจากเกิดภาพแล้วให้เราทํากําหนดตัวนี้คือหมายถึงว่ากําหนด ปลาจมูกกานหนาปาจนถึงแลให้เกิดภาพขึ้นมาทันทีเอาอย่างนี้ให้มันชํานานก่อนอย่างนี้เรียกว่าชำนาญในการเข้าชํานาญในการออกเหมือนขนมาใจ้เข้าออกนั่นแหละให้รู้ว่าเข้าแล้วก็ออกนี่เหมือนกันเรียกว่าชำนานในการเข้าชํานาญในการออกชํานานในการนึกปราษาพระทันทีเรียกว่าวสีก็ไม่ต้างไปสนใจเรื่องว่าอะไร ไันต้องไปจบชื่อด้วย่าเรียกว่าอะไรก็หเข้าใจว่าเออรู้การเข้าการออกภาษีในการนึกขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันชำนานชำนานแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราเห็นภาพแล้วสามารถจิตเราสามารถปรุงแต่งสั่งการได้คือให้มันเล็กก็ได้ให้มันใหญ่ก็ได้อย่างนี้สั่งได้แต่ที่สำคัญคือ สั่งให้มันเกิดก็ได้สั่งให้มันดับก็ได้คือนึกให้มันเกิดก็ได้นึกให้มันดับก็ได้ต้องทำอย่างนี้ให้มันชำนาญก่อนไม่งั้นไม่มีทางที่จะเกิดปัญญายาได้ไม่มีเลยเพราะไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นว่าสมมติว่าเปิดภาพขึ้นมาแล้ววันหลังทำไม่ได้ไปอะไรอาวรนอยากได้คืออยาก ม, อาก ม, อากมีอยากให้มันเป็นอยากให้มันก็ปรากฏอีก พึ่งทราบว่านั่นคือตัญหานะนั่งโดยตันหาซึ่งมันไม่ใช่ทางตัญหาเป็นที่มาหรือปลายทางก็คือทุกข์ถ้าเราคิดอย่างนี้วางไม่ได้ปลายทางมันคือทุกข์เพราะอยากอยากให้มันมีอยากใหเป็นอยากให้ปรากฏเหมือนเดิมซึ่งทุกอย่างมันไม่เคยเหมือนเดิมทุกอย่างในโลกนี้คือทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่เคยอยู่ในสภาพเดิมเลยอันนี้คือสิ่งที่จิตเราไม่เคยได้รับรู้เราก็ไม่เคยได้อบรมจิตให้มันรับรู้อย่างนี้จิตมันจึงเข้าใจผิดมาตลอดอย่างนี้นเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิไม่ได้แปลว่าความเห็นผิดอย่างเดีย ว, ว, ว, ยยวคือจิตมันสำคัญมั่นหมายเพราะว่ามีใครสอนมันแต่เป็นเด็เดกๆก็คือไม่ได้เข้าโรงเรียน เราไม่เข้โรงเรียนก็ไม่มีรับรู้สิ่งเหล่านี้ไม่มีรับรู้ก็ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไงไรู้อย่างไรก็ว่าไปตามนั้นอันมันสําคัญนะเมื่อเห็นแล้วทำให้มันชํานาญจนชํานาญทั้งสามอย่างนี้แล้วจะเกิดวิชาเองคือรู้นั่นแหละวิชาแบบความรู้มันรู้อะไรมันรู้แต่สภาวะความเป็นจริงที่มันปรากฏอยู่เราก็ดูอย่างเดียว ทีนี้เมื่อมันเกิดขึ้นหน้าที่เราคือดูเราตอนนีม้มันเป็จิตเป็นผู้ดูอะไรทีนี้แรกๆลมหายใจพุโทโธอย่างนี้เรียกว่าเรากระทำทําให้เกิดพุดโทโธก็เป็นเป็นรู้ตัวในขณะที่เราปฏิบัติเรียกว่าให้เรารู้ตัว จากนั้นไม่ใช่รู้ตัวแล้วเม่จิตมาเข้าไปข้างในจนเกิดตามกระบวนการขั้นตอนในากาวจุดต้นจากที่เรารู้ตัวเรียกว่าสติจากที่รู้ตัวจะกลายเป็นตัวรู้เพราะนั้นะการรู้ตัวกับตัวรู้มันคนละเรื่องเดียวกันเลยรู้ตัวก็อย่างนี้ อย่างรู้ตัวว่าเออดีตัวไม่ดีรู้ตัวว่าโกรธไม่โกรธอันนี้คือรู้ตัวแต่ตัวรู้มันจะเป็นผู้ดูอย่างเดียวมันไม่ได้ผสมลงด้วยมันคนละอย่างวันนั้นที่เราทำาต้องการให้เกิดเป็นตัวรู้คือผู้รู้นั่นเองไม่ใช่แค่รู้ตัวแต่การรู้ตัวก็ดีนะรู้ตัวอยู่เสมอเป็นสติแต่ว่าทั้งสองอย่างอันจะทำหน้าที่โดยอัตมาโมันจะเป็นตัวรู้เป็น รู้ตัวโดยอัตโ ม, มัติโดยที่เราเช็คไม่ออกเยะเวลาเพรามันมันเร็วมากๆเหมือนกลมใจนะจะทำใจถ้สงบแล้วสูดลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็จะลงแล้วก็จะจุดมันจะเข้าใจทันทีมันไม่มีขั้นตอนอะไรเยอะๆใหม่ๆเหมือนแรกๆเราจะต้องฝึกต้องมาั้งปฏิบัติเหมือนกันเหมือนเขียนข้อไก่ข้อไข่ a b c d เด็กๆก็ต้องฝึกเดิจนจำนานนี่ก็เหมือนกัน คือฝึกก้อไก่ก้อไขให้มันจานานเสร็จแล้วกําหนดเพียงแค่กําหนดขึ้นมามันจะรู้ขึ้นมาตติไม่ว่าสุขหรือทุกข์กาตามเพียงกําหนดรู้ข้อรู้แล้วพนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วเราบอกท่านทุกเกิดขึ้นตรงนี้นี่เองะนะบอกว่าให้กําหนดรู้ซึ่งธรรมชาติแล้วจิตมันจะบอกให้ละคือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็น ซึ่งมันไม่ใช่ความจริงมันทําไม่ได้เพราะนั้นทุกที่พระเจ้าบอกคือกำหนดรูนะ้ไม่ได้ให้หลุดละละไม่ได้เพราะว่าสมเกดทุกเกดดีเก ด, ดชัวด่วเกดมันมีอยู่บนโลกใบนี้มานานแสนนานเราจะ ต, ตัวเองเนะี่ยทำให้มันไม่มีเลยในโลกนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ความจริงเพราะนั้นความจริงของเราคือเพียงให้รู้ การกำจัดพุ่ต้นเรื่องหรือออารมณ์ไม่ดีจากที่มีเรืองได้พุโทโธคืออารมณ์ดีเมื่ออารมณ์ดีแนะลรักษาอารมณ์นนะั้จนเกิดอารมณ์อณันเดียวกันภาษาทางพระเรียกเอกขต า, ารมณ์ไม่รู้จะเรียก อ, อะไรก็แล้ต่ไม่ต้องไปจําชื่อรู้ที่ว่าให้จิตที่เป็นดวงรู้เนนี้ภาษาครูาอาจารย์นบอกวดวงหูเป็นดวงเดียวดวงรู้ดวงรู้ตัวนี้มันจะมีประโยชน์มากมายมหาศาล จิตวงรู้หรือผู้รู้ตัวนี้แหละที่มาจะจัดการกับอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีเพราะว่าสุดท้ายจิตที่ได้รับการอบรมดีแล้วจนช่ำชองช่ำนานแล้วจิตมันจะวางอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีพูดง่ายๆคือควางความดีความไม่ดีทั้งหมด าภาษาเราคือทิ้งนะเป็นไหมคนที่ไปอยู่ด้านั้นนะคือคนทิ้งทิ้งเนี่ยเรียกว่าพ้นภาษาพระที่อาจารย์นบอกว่าบบวิมุตตคือจิตมันพ้นจากอารมณ์เหล่านี้ซึ่งธรรมชาติของคนของมนุษย์มันยังเกี่ยวข้องคือใช้บริการอารมณ์นี้อยู่คือพอใจไม่พอใจสุขทุกข์ยินดีไม่ยินดี มันต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแต่อยู่เฉยเฉยไม่คม่อยมีนอกจากอารมณ์ที่เกิดจากสมาธิเนะพราะจิตถึงตัวนี้มันก็จะเริ่มปล่อยมันก็จะเริ่มวางเมื่อมันปล่อยมันวางคือมันไม่ติดในสิ่งเหล่านี้ใจมันเป็นอิสระมันไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆซึ่งธรรมชาติเดิมของใจของจิตมันเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว เมื่อจิตมันคิดได้อย่างนี้มันก็จะมาคอยเก็บอะไรที่มีมีอยู่ทั้งหมดที่เราคอยเก็บคอยเกี่ยวอารมณ์สัญญาอารมณ์ที่มีอยู่ทั้งผ่าทัางหูทางจะหมดกลิ้นกายใจมันเริ่มเข้าใจละมันลบอยู่ข้างในสบายมันไม่ได้อามายุเกี่ยวกัหนหรอกทีนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือสิ่งเหล่านี้มันไม่เคยเกิดขึ้นในใจเลยแต่พอเกิดขึ้นมาปุ๊บมีอารมณ์ที่มันว่าสบาย แต่มันไม่รู้ตัวมันสุขะที่แปลว่าสบายใจมันเฉยมากใจมันไม่ยินดีเหมือนกับมันว่างว่างไม่มีอารมณ์มากระทบแต่ตัวรู้ผู้รู้มันมีอยู่มันยังรู้ตัวอยู่รู้ว่าสบายอารมณ์นี้ก็ยังไม่ใช่เพราะไม่อย่างนั้นันจะกลาจะเป็นว่าติดสบายภาษาพระวาจานะว่าติดความสงบ มันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่จิตมันจะไม่มีการพัฒนาคำว่าติดก็แปลว่าพอใจอยู่แค่นั้นแต่เราไม่รู้ว่าเราพอใจอยู่แค่นั้นจิตมันก็เลยติดนั่นนี่คือติดวิธีแต่ติดเอีดภาษาพระท่านเรียกว่าติดดีต้องระวังติดดีเนี่ยแก้ยากกพรากิดชั่วนะเพราะกิดชั่วไม่ดีรู้ว่าชอบไม่ดีปล่อย แต่ติดดีนี่ลำบากวางยากต้องใช้เวลาที่สําคัญคือต้องมีปัญญาผู้มีปัญญาเท่านั้นถึงจะวางจิตดีอันนี้ได้ก็ต้องระวังอย่าถ้ารู้ตัวว่าเออทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ลระดับไปนี่คือวิชาปราบให้เข้าใจเออทุกอย่างระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันไม่เทีย่ยง ให้จำไว้เสมอว่ามันไม่เที่ยงทุกอย่างมันไม่เที่ยงครับไม่เที่ยงเกิด ข, ขึ้นตังอยู่แล้วก็ต้องดับก็คืออนิจจังตุกขาอนัตตาเองแล้วแต่จะเรียกในทางปริยัตจะจําชื่อยังไงก็แล้วแต่แต่ที่เรียก ง, ง่ายๆคือให้รู้อารมณ์ของมันรู้การเกิดขึ้นรู้การตั้อ่มั น, น, นดับไปไหนก็ดูการเกิดการดับการเกิดการดับมีแค่นั้นเองดูว่าการเกิดมันใหม่เรื่องใหม่ไหมหรือ่องดับไปมันเรื่องใหม่ไหมเรื่องไม่มีอะไรเรื่องใหม่ก็เรื่องเก่า ก็เกิดมันก็ดับเกิดดับอะไรเกิดดีเกิดชั่วเกิดในใจในจิตนะมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับปุ๊บปุบบบบ๊แต่จิตที่มันอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ท่านจะไม่ข้องแวะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นจิตจะไม่ให้มันคิดเลยไม่ให้คิดเลยไม่ได้เป็นหน้าที่ของมันมันจะต้องคิดแต่ว่าคิดอะไรก็จะให้อยู่ในสิ่งเดียวทําได้แต่ว่าไม่คิดอะไรเลยเป็นไปไม่ได้จะไปฝืน ว่ไม่อยากให้มันคิดอะไรให้มันฟุ้งซ่านคําฟุ้งซ่านก็เปนหลายอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์เดียวออกจากนี้ไปนั้นเอาจา ก, กนั้นไปนไปเรือ่อยเปยไม่มีสถานนี้ไม่มีหลักไม่รอยนั่นเพราะจิตมันไม่เข้าอยู่ข้างในมันจิตมันอยู่ข้างนอกที่เราฟรารุ้งซ่านเพราะเราเอาฝากอารมณ์ความรู้สึกเราคิดปรุงแต่งไปไว้กับสิ่งปัจจัยภายนอกซึ่งไม่ใช่ตัวเราถ้าอยู่จิตอยู่ตัวเราเออไม่เป็นไร จิตวิญญาณมก็ะเกิดรู้ตัวคือตัวรู้เกิดขึ้นจะมันจะมีประโยชน์ในการปฏิบัติของผู้เรามากมายมหาศาลหลังจากนั้นจะเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างกล่าวคือญาณหรือวิชาอะไรก็แล้วแต่เมื่อรู้เสร็จแล้วความพิเศษของมันเขาจะ จ, ะจัดลําดับขั้นตอนของมัน ท, ทันทีหลังขั้นตอนก็คือหนึ่งรูปร่างกายสังขารธาตุเสกธาตุอันนี้เป็นที่มาเป็นที่อยู่ ความสุขความปลุกสมมันเป็นทียึดเป็นที่ถือของสัตว์ทั้งหลายคือสเปสตานี่แหละหรือถ้าเราไม่ยึดไม่ถือสิ่งอะไรจนมากเกินไปก็ค่อยตามขั้นตอนคือสักยัติทิฏฐิคือตัวตนนองเรานะของเราของเขาของอื่นกันแล้วแต่สักยัติทิฏฐิเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นเพราะสติอยู่กับตัวสักยัติวิจกิตรฉาที่ลังเลสงสัยนั่นนี่นู่นเพราะว่าฟุงงซ่านเกิดจากความลังเลไม่แน่ใจไม่แน่นอน ชีวิตมันเกิดความไม่มีความแน่นอนในชีวิตเลยเริ่มเข้าใจในสิ่งเหล่านี้จากสิ่งที่มันยึดถือนั่นนี่นู่นจนมากมายมหาศาลนั่นก็ดีนี่ก็ดีออกเป็นที่พึ่งมันไม่มีที่พึ่งอย่างเดียวที่เกิดขึ้นในใจก็คือสิ่งที่กำหนดขึ้นครั้งแรกนั่นก็คือพุทโธธรรมโมสโังโฆที่เราปฏิญาณตนครั้งแรกก่อนที่จะนั่งสมาธิมันกิย้อนกลับมาสอนเอง ถ้าจตมันรู้แล้วมันจะย้อนก็ตัดเองว่านี่คือที่พึ่งอันปิดเผยที่สุดนอกจากนี้ไม่ต้องไปคิดถึงไม่ต้องไปภาวนามัต้องไปนึกถึงมันเลยมันไม่มีประโยชน์อันใดความรู้สึกในคิดปรุงแต่งมันจะตัดออกทันทีคือไม่คิดต่อถ้าคิดต่อแล้วก็ยุ่งเหมือนผู้รับความรู้สึกมันต่อส่งต่อต่อต่อต่อเป็นท่าๆท่าๆไปโดยที่เราไม่รู้ตัว จากรูปก็มันเป็นเวทนาจากเวทนาสัญญาสัญญากับสถานการณ์นการในขณะจิตเดียวกันมันจะส่งต่อส่งมาต่อไปไเรื่อยๆมันก็เว่งผัดกันแต่เราไม่รู้จนจบกระบวนการของมันนะแต่ทีนี้เรารู้ตน้ตนต่อเสร็จอย่านะมันดับทันทีเหมือนเรารู้เท่าทันเด็กรู้เท่าคนอื่นพูดปั๊มเราจะรู้ทันทีเลยเมื่อเขาพูดอะไรคิดอะไรต้องการอะไรกูดได้ไงคืออ่านออก นี่แหละท่านเรียกว่าอ่านตัวเองออกมันมีประโยชน์อย่างนี้แต่ถ้าอ่านคนอื่นไม่เลยไม่มีแต่โทษมากกว่าคุณแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปอ่านคนอื่นเพราะคนอื่นก็มีเหมือนเหมือนเราหมดมีตาไหมมีมีหูไหมมีมีจ ม, มูกไหมมีกายมีใจมีหมดทุก อ, อย่างก็ไม่จำเป็นต้องไปอ่านให้อ่านสิ่งเหล่านี้ บ่อยๆไปบ่อยๆแล้วให้ทำอย่างนี้บ่อยๆสิ่งที่ตามมาไม่ต้องพละนาไม่ต้องไปบรรยายว่าหลังจากนั้นมันจะเกิดอย่างไรถึงบอกคนอื่นเขาก็ไม่รู้พลณนาอธิบายอย่างไรก็ไม่มีใครรู้ก็ไม่ต้องสนใจว่าใครจะรู้ไม่รู้ให้เรารู้คนเดียวก็พอเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัจจตัง คือเฉพาะตนนี่คืออานิสงส์ของการปฏิบัติการเข้าถึงประพุธะทธะธรรมแล้วก็พระอริยะสองฆ์อย่างแท้จริงถ้าเราทําอย่างนี้นั่งแป๊บเดียวก็เหมือนกับนานนานนั่งนานน า, นนานก็เหมือนกับแป๊บเดียวมันมีคุณค่าเท่ากันนอนแป๊บเดียวก็เหมือนกับนอนนานนา น, นั่งสมาธิแป๊เดียวมันจะเป็นต้องใช้เวลามากมายถ้ากําหนดรู้อย่างนี้ไปมันจะเป็นประโยชน์ ที่สการคือจิตมันได้พักทุกวันในขณะนี้ที่ว่าออกจากเช่นขณะนี้ออกจากสมาธิออกจากการฟังธรรมแล้วจิตมันไม่ได้พักอ่ะมันก็วิ่งโหนอกกายไปเรื่อยทําอย่างนี้จิตมันพักมันได้พักจิตเมื่อจิตมันพักมันก็จะสบายมันมีกำลังร่างกายทํางานได้มากโดยไม่ไี้พักพอนเลยมันเหนื่อยจิตมันก็เหนื่อยมันไม่เคยพักเลย อันนี้คือประโยชน์ในการปฏิบัติส่วนเรื่องอื่นๆที่ตามมาไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องไปปรารถนาเพราะนั้นถ้าเรามีหลักในการปฏิบัติอย่างนี้แล้วเมื่อเราปฏิบัติได้ทำได้มากน้อยแค่ไหนก็ตามก็เชื่อวเราได้ต้นได้ทุนเป็นบุญเป็นกุศลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทำให้มากทำให้มีทำให้เกิด ในสิ่งนี้เป็นประจำส่วนที่มันไม่ดีทั้งหลายแหลกําจัดออกการนั่งภาวนาเป็นการกําจัดโดยอัตโนมัติคือกําจัดอารมณ์ที่ไม่ดีความที่มีเช่นปากถ้าเราไม่ทำก็จะใจไปเรื่อ ย, ๆๆยตา ก, ก็ทำไมไม่รับตาอย่างนี้มันก็จะเห็นไปเรื่อยหูก็จะ ห, หาไปเรื่อยนะั่นเป็นการกำจัดโดยตรงนี่คือประโยชน์ที่คืออันนี้สอเพราะนั้นถ้าจิตมาเข้าไปเรื่อยเข้าในจรงิงๆ มันรู้ตัวอยู่ข้างในสิมันจะไม่ลําบากเลยจิตมันรู้มันลึกมันวางลึกขนาดไนจนไม่รู้จักกายภายนอกคือความรู้สึกคือความรู้ตัวภายนอกไม่มีเลยมีแต่ตัวรู้อยู่ข้างในเหมือนอยู่คนเดียวในโลกเหมือนนั่งอยู่คนเดียว น, นะเราไม่้สนใจว่าตอนนี้เป็นกลางวันตอนนี้เป็นกลางคืนมันไม่ได้แยกเลยจิตไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืน ในมีมืดไม่มีบอดแต่เนื่องจากโดยจํากัดว่าอันนี้คือกลางคืนนี้คือกลางวันแต่จิตธรรมเกิดถ้าเข้าถึงจิตจริงๆเลยมันจะสว่างอยู่อย่างนี้ตลอดจิตของผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องการอะไรเลยต้องการถ้าต้องการมราก็ต้องลงมือทําให้เข้าใจตามลําดับขั้นตอนให้ชํานาญการเข้ากันออกกันนึก พูดง่ายจจนใช้จนเป็นแล้วพยายามปฏิบัติตามแนวนี้ไปเรื่อยๆในอริยบทกำหนดได้ยืนเดินนะั่งก็กำหนดอริยบทเหล่านี้ได้เป็นคนเดียวกดอยู่กับตัวผู้รู้อยู่อย่างนี้เองนะเมื่อผู้รู้เกิดขึ้นในใจแล้วนั่นแหละคือคำว่าพุทโธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บาน ผู้รู้จากเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้เลยมีความรู้ขึ้นมานี่แหละเรียกว่าวิชาเมื่อทํำ บ, บ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆเกิดจารณะคือความประพฤติคือการปฏิบัตินี่แหละเป็นประจำมาจังเรียกว่าประพฤติถ้าเราทำอนี้เป็นประจําที่เรียกว่าถึงพร้อมด้วยกวารประพฤติเราจะมีวิชาจารณะสัมปันโน ก็แปลว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะคือมีวิชาและจรณะวิชาและจรณะทางธรรมนั้นดีมากๆต่างกับทางโลกวิชาทางโลกนั้นถ้ามีแต่วิชาอย่างดียวไม่มีเจรณะอยู่กับประพฤติพูด ง, ง่ายๆคือรู้ดีแต่คอามประพฤติแย่รู้ดีคือฉลาดำจาจาดีเรียนดีแกงแต่ทุจริตเอาเปือกคนอื่นน่ะ คือจารณะไม่มีกพระพุธ ม, มีอันที่ใช่ไม่ได้แต่วิชาจารณะทางธรรมนั้นไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเกิดพร้อมแล้วสมบูรณ์แล้ว น, นี้คือคุณสมบัติของพระพุทธโธผู้รู้พูดตื่นก็ตื่นจากสิ่งที่เราไม่เคยเมืเ่อคือจิตมันหลับไม่เคยรับรู้สิ่งล่านี้มันตื่นขึ้นมนจาจิตใจก็เปิดบานมันต่อสู้กับทุกสรรพสิ่งได้มันเข้าใจสรรพสิ่งได้ดีขึ้นมากกว่าเกา่า เข้าใจตนเองเข้าใจความรู้สึกต้กงขึปรุงแต่งของตอนเองให้มากขึ้นมากขึ้นในขณะทุกทุกวันถ้าเป็นไปได้คือทุกขณะจิตซึ่งมันเป็นไม่ได้เพราะสติกําลังของเราไม่พอสติกําลังคือกําลังของสติเราไม่เพียงพอก็พยายามทําให้มันมากให้มันทีหรือว่าความเพียนแล้วก็ให้ต่อเนื่อง จะไปขาดช่วงขันตอนไม่ต้องไปลองเลยสงสัยตามอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้จะเป็นจะเป็นบ้ า, าไม่ต้องไปสงสัยจะเป็นม้าเพราะปฏิบัติถ้ามันเป็นประสิทธโรงพยาบาลบ้าเขามีเนี่ยยิ่งไปกลัวอะไรถ้าเป็นบ้าครูบาอาจารย์ต้องเป็นบ้าก่อนเราแล้วเนี่ยเริ่มฟุ้งซ่านละคิดอย่างนี้ได้ไหมโอ้พระยาโกดน้อมเข้ามาอย่าไปคิดนอกลู่นอกทางเอาพระพุท ธ, เ, ธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เข้ามาคูคขูข่มั่งจิต ก็ตามตลอดเราไม่เคยเอาเสิ่งนี้มาโคลิ่เราไม่เคยมาโคลกเพราะว่าเราไม่เคยนึกถึงจริงๆเลยคือไม่เคยนึกถึงอพระบิดาธรรมพระอะริยสง์จริงๆเราจรึงขาดที่พึ่งก็เหมือนกับลูกขาดพ่อแม่เป็นลูกกําพร้าไม่มีพ่อแม่เป็นที่พึ่งจิตของเราก็เหมือนกันถ้ามาปฏิบัติจิตเราเป็นกําพร้าไม่มีพ่อแม่ไม่มีที่พึ่ง เมื่อพุทธทูตโมสังคเกิดขึ้นในใจแล้วเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีทุกอย่างอยู่ในนั้นเราจึงเป็นคนอบอุ่นไม่ขาดความางามงานก็พวกเราท่านทั้งหลายที่เริ่มปฏิบัติกิรีปฏิมาแล้วกิดิปฏิบัติต่อไปกิรีให้เพิ่มระยะเวลาความเข้มข้นความทีความเพียรให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, นิงเหล่านี้ จะปรากฏขึ้นมาเองฉะนั้นเวลามีปัญหาอุปสรรคอะไรถามท่านผู้รู้คือท่านที่มีพุโทโธแล้วพูดยังไๆผู้รู้คือใครใคจะถามอีกแล้วเราคนไหนเป็นผู้รู้ก็คนที่มีพุโทโธนั่นแหละไม่จําเป็นต้องพระสงฆ์จะใครก็ได้ปฏิบัติปฏิบัตินผู้รู้แล้วถามได้ท่านเรจะตอบหนาเราได้และตรงด้วยมไม่ต้องไปออมไม่ต้องไปคล้องไม่ต้องไปล้านาฉะนั้นอนนคืออานสงส์แห่งการปฏิบัติธรรม เมื่อสิ่งเราได้เกิดขึ้นแล้วมีที่พึ่งแล้วอันนี้เราไม่ต้องไปกลัวใครแล้วไม่ต้องไปกลัวเองว่าจะเกิดกี่ครัง้งจะตายกี่หนจะทนอีกเท่าไหร่ไม่ต้องเลยจิตมันก็จะปล่อยมันก็จะวางสภาวะทั้งหมดทั้งมวลเองคือมันคิดเองคิดเป็นนะพนูดง่ายเมื่อคิดเป็นก็แปลว่าแก้ปัญหาเป็นแก้ปัญหาได้เมื่อแก้ปัญหาได้ก็แปลว่าปัญหาก็จะไม่มีหรือมีมันก็ลดน้อยถอยลงไปนั่นคือปัญหาชีวิตของเรา ถ้าเราทำไม่ได้อย่างนี้เราก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาชีวิตของเราได้ชีวิตเราก็จะเต็มไปด้วยตัญหาเรียกว่ามีปัญหามีปัญหาพึงท่องเอาไว้เสมอว่าปัญหามีเอาไว้ให้แก้ไม่ใช่มีไว้เพิ่มมายุ่งอย่างนมันจะยุ่งกับอีกมีต้องแก้ต้องไขแล้วมันก็จะเปิดเผยเผยให้เห็นทว่คน ม, มีว่าปัญหาคืออะไรแล้วเราจะเข้าใจตามสภาวะความจริงเรียกว่าสัจจ นี่คือสัจธรรมคือธรรมที่เป็นจริงไม่มีใครจะปฏิเสธได้แต่อันนี้มันไม่จริงไม่ใช่เนี่ยเพราะฉะนั้ น, นเมื่อเกิดแล้วเราตัวเราเท่านั้นนะที่จะรู้จากสิ่งเหล่านี้เมื่อวันพร้านี้ก็ฝากธรรมะทั้งหมดนี้ถือว่าตั้งแต่เริ่มต้นทำกลางที่สุดแล้วนี่คือที่สุดของที่สุดแล้วถ้าเราทําได้ก็เชื่อว่าดจะดมีที่พึ่งไม่ต้องไปอะไรเลยอยู่ที่นี่ก็ได้สบาย ไม่ได้ดีร้อนอะไกับใครเลยก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้อุปนัยกิโก ค, คือน้อมนำสิ่งเหล่านี้ไปเป็นที่พีนาพุ ป, ปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราก็จะประสบผลแห่งความสงบกายสงบปาญาาสงบใจอย่างแท้จริงก็ขอฝากพวกเราทั้งหลายเอาไว้เพียงต่านี้ก่อน